ฟังทำ <laughs> เสียงก็ไม่ค่อยมีอันก็เป็นอย่างนี้ความเป็นจริงแมีเสียงก็อาจจะไม่มีเสียงเป็น ไ, ได้เจมีหูก็อาจจะใช่ไม่ได้แกมีเลี้ยวมือแรงอาจจะไม่มีเลี้ยวมือแรงแต่ก่อนนี้ไม่เป็นอย่างนี้ แต่วัดไหนแคบๆไม่อยากไปอยู่พวกมันไม่หมดเก้าวันหนึ่งเราเดินไกลเหนืเก้าสุดทิศเหนือทิศใ ต, ต้แต่วันตกตอนดอกแ่ทุกวันนี้ก็ไม่เหมือนก่อนเดินไปไม่ถึงไหน เชียงก็ไม่มีหมูก็ใช่ไม่ได้กำลังก็น้อยลงแต่ก่อนเราเนื่ว่าเราเป็นช่างสมมติตัวเองเป็นช่างโดยลากไม้จ้างสลาหลังนี้จากเคยเป็นช่างลากมาหลายตัว <laughs> เอาผ่าอาบน้ำปูกหัวมากแล้วก็ ว่าผมบาดดันป่าดวงพงไัยมาไม่มีล้อมีเกียรลากเอามาแล้วสองตัวสองตัวทำได้เดี๋ยวนี้แม้แต่เดินก็จะไม่ไหวทีที่แล้วเขาอยู่ก็ตีหลังโน้นปีนี้ก็เดินมาทำวัดก็เดินจะไม่ไหว ต้องยามอยู่ก็ติดหลังนี้ต่อไปจะเป็นยังไงเรามีความเจ็บเท่าเป็นธรรมดาจะลงมพ้นของเจ็บ ไ, ไปไม่ได้ทุกคนเปยียงนี้ถ้ามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าลงมพ้นวามเจ็บไข้ไปไม่ได้ถ้ามีความตายเป็นธรรมดา <stain knowledge> จะลงมพ้นของตายไปไม่ได้ของกิ่งเปียงนี้ ไม่ต้องประมาทหลานี้เราไม่เพศเป็นบวชแล้วฉันเข้าในบาตรอาหารเนื่องวยผู้อื่นสมควรที่ฉันเข้าในบาตรไหมเรามีอันสงสารลายไมาฉันเข้าในบาตรมีประโยชน์อลายผู้ที่ให้ข้าวเราฉันในบาตร ขอได้ประโยชน์อะไรเอาจรุงโหมจีวรจากคนเดินหามาให้ได้ประโยชน์อะไรจากนุ่งห่มจีวรคนอื่นที่เอาผ้าให้เราขอได้ประโยชน์อะไรที่ไหวสายจะรักษาโลกกรมข้าไหมาจากคนสองฝ่ายจากตัวเราด้วยจากคนอื่นด้วย มีอะไรที่มันจะดีในการใช้ชีวิตของเราเราก็เพียรพยายามทามีงานทาอยู่สองอย่างขันธทุลาการศึกษาพระสูตรต่างๆสาธยายพระสูตรเราก็ได้สาธยายทำในใจ นอกจากต้องเอาไว้ปัจจนาทุลาร์มีการเขนตนเองทำให้มันเป็นมีความรู้สึกตัวปไปในกายมีร่างไหมวันหนึ่งเราหลงหรือเราลูถ้าจะทำตามพระพุทธเจ้าที่มันจะต้องไม่เป็นบาปสมควรจะพูดรับทักขินทาน สมควรจะผู้ที่กล่าวว่าทำยังไงพระเจ้าจึงบอกให้เราทำต้องมีสติปในกายอยู่เป็นประจําอย่าให้หลงหาดให้รู้ปในกายแล้วก็มีกายกันทุกคนโาหลงไหมในกายของเรานี่มันพ้ายเกิดสุขเกิดทุกข์มีบ่ายกายเนี่ย เวลาเราตั้งใจที่รู้ไปในกายมีอะไรไมันสอดแช่ขึ้นมามารู้ทุกถ้าหายเจ้าเขารู้หายจะออกรู้วิหน่อยทีหนึง่งรู้ทีหนึง่งมารู้ทุกเปียโนทีมาเห็ น, นงบงนจังงี้ความหลงเกิดขึ้นขณะที่มีความรู้คู่กันไปก็เปลี่ยนตัวหลงเป็นภาวะที่รู้ จะไม่เปลี่ยนอย่าให้หลงเป็นหลงอยาให้ถ้าหลงเป็นหลงแล้วก็ไม่ดีอะไรขึ้นมาอาจจะไม่คุ่มค่ากินข้าวสุกน้ำแจง <c oughs> ให้เหมือน <c oughs> ก็เหมือนกันกับชาวบ้านเขาถ้าหลงเป็นลูกเออดีถ้ามันทุกข์เป็นลูกก็ดีถ้ามันโกรธเป็นลูกก็ดี ไม่จะต่างกันอันนี้เรียกว่าวิปัสนาทุละเปลี่ยนร้ายเป็น hmm. ดีเป็นงานของพวกเราอย่าประมาททีน mm hmm. ี้งานแบบนี้ก็เหมือนกันหมดจะเป็นนักบวชหรือคาบวะญาโยเหมือนกันเตรียมตัวไว้ทย่ญาตย่าติโยมคารวะนั่น อาจจะไม่สะดวกมันนักบวช น, น, นักบวชนี้มีทมวินัยประเทศไทยยอมรับถ้าประเทศอื่นไม่ยอมราบไปบินท่าบาทเขาจับบาประเทศยปบินท่าบาทเขาไม่จับไปอยู่ประเทศฟิลิปปินส์ <c oughs> ไ ป, ประศึกษาพุทธศาสนาเรียบเทียบที่ฟิลิปปินส์ เขาก็ยอมให้เราทำว่าขอบินทบาทล้วบอกว่าบินไได้ตำรวจจับทำยังไงจึงจะบินทบาทได้แล้วเราพิมากษ า, าเปรียบเทียบปลิเปิี่ยนเป็นวางคิดาศาสตศาสนาเราอยากรู้เราทำงานให้เขาได้เรียนรู้ ก็เลยหาเรื่องที่บินทบาดนะนะแต่คิดาจาจัดแสดงให้เขามีมพ่อมีลูกกันเต็มบ้านเต็มเมืองใครไปทำข้อดให้ใครก็ถือว่าคนนั้นเป็นลูกคนที่ข้อออกมาจากผู้ทำข้อเรียกผู้ทำข้อบอกว่าคนนั้นว่าเป็นพ่ อ, พอเป็นแม่แมกับไม่ทิ่งกัน เชนใครไปทำข้อไหนใครเพนั้นก็เป็นพ่อคนนั้นใครเคยค้อจากใครที่ค้อออกมาได้ก็เป็นลูกของคนนั้นก็จึงมีพ่อสองคนมีแม่สองคนถ้าคนที่ทำข้อเกงก็มีลูกเป็นหลายคนก็มีเขาบอกว่าเออผมมีทางที่ทําได้แต่ว่าเขาไม่มีทางที่ทําได้ เขาจะให้ไปบ้านลูกของเขาเขาไปนัดลูกของเขาว่าจะมี <c oughs> <c oughs> นายสงนายมินทบาทแต่ว่าบาทต้องอุ้วมไว้ในผ้ากิวันหอมปลายไม่ใครเห็นมันอุ้มบาทมาบ้านเราเขาก็พาเราไปบ้านลูกของเขาลูกของเขาก็เอ่เปิ้ลเราก็นมมาใส่บาทแล้วก็ปิดพราบาทเดินายเขาก็พาไป ได้เตรียมบาทออกมาก็มาฉันในบาทให้เขาดูนี่เรียกว่าต้องมีซชกเซ็กแบบนั้นประเทศไทย เ, ยเราโชคดีเราพุทธบริษทัทต้องให้ทั้งกราบทั้งไหวของไม่ดีเขาไปให้นี่ก็มีของให้นี่จะของดีดเนี่ย ถ้าคิดไปเงินก็หลายบาทเราก็อยู่ได้ด้วยสิ่งเหล่านี้เราจรึงจะทำอย่างไงอย่าทิ้งธุระของเราคัดทาธุระศึกษาอย่าอยู่เฉยอย่าประมาทที่ปัจจาระธุระฝึกตนสอนตนเตือนตนโดยพ่ะกรรมฐานนี้วิปัจจารธุระนี่มีสติเนี่ยมันใจประจบกณ์ แล้วก็มีโอกาสเรากินข้าวชาวบ้านได้น้องผมจีวรได้เพราะเราได้เห็นเรื่นี่จะไปบอกเขาว่าถ้ามันหลงไม่หลงก็มีนะมีใครบ้างในโลกได้พันสองที่พูดที่บอกกันแบบนี้ได้เวลามันโกรธไม่โกรธก็ได้ถ้าพระสงสามแสนลูกในประเทศไทยช่วยกันบอกเรื่องนี้อย่างน้อยต้องบอกพี่บอ ก, อบอกพ่อบอกแม่เรา บอกคนใกรคิดบอกชาวบ้านบอกใครที่ไหนให้บอกกันเรื่องนี้เวลามันหลงไม่หลง là, อ่ะงทําให้เป็นความหลงไม่ถูกต้องก็งไม่หลงถูกต้องที่สุดสมผัสเอาควมโกรธก็เหมือนกันความทุกข์ก็เหมือนกันบอกเขายิ่งเห็นคนมีทุกข์ก็ยิ่งเป็นเพื่อนของเขาขอเสนอตัวเราเป็นเพื่อนเขา เหมือนพระเจ้าเป็นเพื่อนยศ ก, ย ก, ยกุลบุตรยศกุลบุตรเร่งร้องออกมาจากเบืองพระราศีน า, า, าศรนาติฏิปันดทุกหนอทุกหนอทุกหนอทุกหนอวุ่นวายเรยเกิดวุ่นวายเรยเกินด้วยเจ้าจงกลมอยู่ข้อขันตอบไปว่าที่ไม่บุ่นวายที่นี่ไม่ขาดคงยกมาอที่นี่เถิดเข้ามาเข้ามา แล้วก็แสดงทาให้ยอดสาวปรวชได้เห็นเรื่องนี้จนโอกบวชพมมาด้วานสี่สิบห้าคนให้เราทําอย่างนี้จะได้ในสง์ทั้งสองฝ่ายเราพยายามเป็นเพื่อนคนหลงให้ได้พยายามเป็นเพื่อนคนที่ทุกข์ที่โกรธที่ผิดให้เป็นถูกให้ได้ ถ้าทายสักหน่อยเรื่องนี้อย่าป่ะกันทิ้งมีความทุกข์อะไรแน่นอนที่จุดเกิดเจ็บเจ็บตายเป็นคนที่ทุกข์ทำไงยจึงช่วยคนเรื่องนี้ได้นอกจากความพอใจความไม่พอใจค ว, ความโกรธควาโลกของหลงเล็กน้อยถ้าความแก่ความเจ็บความตายมันยิ่งใหญ่ไม่มีใครที่ปัดเศษได้ไม่มีใครตายจากการหัวเราะสนุกสนาน มีแต่ลองให้เซ่าโซกจะทำงานกจะมุ่งไปสู่จุดนั่นแค่ตรงไหนก่อนต้องแก่ตรงที่มันหลงให้เป็นรูเนี่ยลาดไปจากนี้เหมือนทางขึ้นเขามันเป็นหน้าผาขึ้นมาได้ทำให้บรรลาดแต่ก่อนเหมือนทางขึ้นเขาทางแจ้งข้อเน่ยแต่ก่อนเป็นหน้าผา ทำยังไงมันจึงเกิดลาดทำมาขึ้นมาด่าต้องออกแรงแรงที่ทําให้หลงเป็นลูปเนี่ยมันไม่ออกแรงเหมือนกระทบเท็กเตอร์เพียงแต่มีสติท่องทวนก็เช่นหน่อยบางทีอาจจะง่ายที่หลงนับเป็รูปมันจะยากเวลามงุดหงิหาความรู้ได้ยากควโกรธคล้งมามควมทุกขคล้องมาจะทํำยังไงช่วยกันได้ ให้เขาได้เห็นฝึกไว้ยอมสงบเราฝึกยอมศึกเราลบไว้เราฝึกไว้ก่อนเหมือนนักกีฬาถ้าไม่ฝึกไปขึ้นเวทีเข้าเวทีมันก็ไม่มีทางชนะได้เราฝึกให้ดีจึงมาฝึกขัดแบบนี้แล้วเราก็ท่าทายพิสูจน์กันนานเหลือเกินเรื่องนี้ เสียเวลามากแล้วชีวิตของเรเนี่ยหลงตานี่กลัวจะมีเห็นเรื่องนี้เกือบสามสิบปีตกใจเลยเพราอมาเห็นมันหลงเห็นมันรู้เนี่ยมันก็กระตือรือร้นเวลามันหลงเปลี่ยนหลงเป็นรู้มันชอบที่สุดเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธก็ชอบเปลี่ยนทุกข์เป็นทุกข์ก็ชอบมีเหมือนกัน มันมีหลายกว่าความรู้ความหลงความโกรธเคยใช้ชีวิตแบบนั้นไม่ใช่ชีวิตไม่เคยใช้ชีวิตแบบรู้ไม่เคยฝึกพอมาฝึกแล้วมันเห็นทางไปแบบนี้ลวลามันหลงมันก็ไม่จนความหลงพอมีาทางออกคือมันรู้สึกตัวตามวิชากรามฐานเวลามันโกรธก็มีทางออก กกลัวเปลี่ยนความรู้สึกความองโกรธให้เป็นความรู้สึกเป็นเครื่องมือโง่หนักให้เป็นง่ายถ้ามีความรู้สึกอาจจะง่ายเฉลยปัญหาได้ถ้าจะเปลี่ยนต้องตรงอะไรทำอะยากเหมือนหักตามผ้าด้วยเข่าถ้าเวลามันหลงให้รู้เวลามันโกรธให้รู้ง่ายกว่ามันมันลาดกล่าไม่เป็นหน้าผา ถ้าเวลามันโกรธเปลี่ยนไม่โกรธเป็นทายากทำไม่ได้เลยเพราะไม่เคยฝึกแล้วจึงมังหาดกันแบบนี้ถ้าเปลี่ยนหลงเป็นรูปเปลี่ น, ลลนโกรธเป็นรูปเปลี่ยนทุกข์เป็นรูปไปมันก็จะลาดไปหลายอย่างเพียังแต่มีความรู้ก็มันก็ไปรับควมชั่วแล้วมันก็ทําความดีแล้ ว, ว, ลวจิตก็บริสุทธิ์แล้วมัน <c oughs> ไปเป็นพวงแบบนี้ นันเป็นกลุ่มไปแบบนี้เป็นกุศลเป็นหมู่กุศลเป็นหมูกุศลเหมือนความมืดกับแสงสว่างเมื่อมีความสว่างก็มองเห็นอะไรได้ถ้าเมืความมืดก็มองไม่เห็นเราจึงมีความรู้เหมือนแสงสว่างจะเห็นเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงน่ะไปแล้ววะแนว เห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์มันไปแล้วเห็นหลงก็ไปจะคมหลงมันเป็นเหตุอยู่ตรงนี้มันจึงเห็นได้ทุกคนไม่ยกเว้นเวรามีสติจะเจอคมหลงต่อหน้าต่อตาหน้าด่านจะเอะกันเลยทีเดียว อันหนึ่งหลงอันหนึ่งลู้พอดีกันเป็นคู่กันแล้วก็มีโอกาสได้เปลี่ยนหลงเป็นรู้เวลามาโกรก็เปลี่ยนโกรกเป็นม่โกรกจะไม่ชำนานจนจนติ็นแปะลิ่งยาได้ชำนานการฝึกตนสอนตนมันเป็นไปได้ไม่ใช่ฝึกไปได้ ปฏิบัติได้อยู่ให้ผลได้อยู่ต่างกันอยู่ระห ว, ว่างหลหลงของรู้ของโกรธของโกรธของทุกข์ของไม่ทุกข์มันต่างกันสัมผัสดูแล้วมันต่างกันแล้วก็เมื่อเราสัมผัสดูแล้วมันต่างกันแบบนี้เช่นนี้เราก็เลือกได้ ชำนาญขึ้นอยากให้มันหลงโดยซ้ำไปยอยากให้มันทุกข์โดยซ้ำไปจนมันไม่มีหลงมไ ม, ม่ทุกข์แล้วนะทำอะไรไปกันโลกนี้ล่ายอยู่จริงๆไม่มีอะไรที่จะมีคืนลาบเรียบไปเลยไม่มีคื้นอะไรในโลกนี้ผู้ผูแพรแพกทลุมไร่คมนี้จะไม่มี มีกายก็มั่นใจในกายมีใจก็มั่นใจในใจได้มีครอบมีครัวมีผัวเมียก็มั่นใจทุกคนมีลักษณะแบบนี้ก็มั่นใจพึ่งกันได้ถ้าไม่มั่นใจก็คุมร้ยคุ้มดีก็ตัวเองก็พึ่งตัวเองไปได้เราพึ่งกันมันก็ยิ่งไม่ได้อีกเราจึง นี่เป็นจุดหมายปลายทางของเรามาฝึกกันแบบนี้กันขอใช้ที่นี่เป็นสนามฝึกกออยู่กันได้ประเทศไทยวันไทยมีธรรมะเปนเดียวกันให้กคนระยอง ความหลงก็อย่างเดียวกันความไม่หลงก็อย่างเดียวกันความทุกข์ก็อย่างเดียวกันความไม่ทุกข์ก็อย่างเดียวกันความโกรธก็อย่างเดียวกันความไม่โกรธก็อย่างเดียวกันมันจึงเป็นอันเดียวกันถ้าเราต่างเป็นเดียวกันก็เป็นคนคนเดียวกันถ้าเราหลงก็เป็นคนเราคนถ้าเราไม่หลงก็เป็นคนคนเดียวกัน มุเกิดความดีขึ้นม า, ปนาเป็นพิธภาพเป็นเินร่าปหน้ากองไซสาสะภ า, าษียอยเมตไตก็มาตัดสรุปก็คือเรามาเอาธรรมะของพระโกตมโมเนี่ยมาปฏิบัติให้มันะำน่ชนานาญก็ถึงอริยะเมตยโยไม่ใช่องค์หนยที่ไหนเป็นคุณธรรมที่เรามานำมาฝึกตนสนตนนี่ ไม่ใชอยู่ที่ไหนไม่ใช่อ้อนวอนจนถ้าพูดเป็น่ช่สตางอ้อนวอนไปสนะแห่งการกระทำรีอแ่างนะคุณหมอรีนมันแข็งฮะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็อุ่นใจนะอุ่นใจอุ่นใจเห็นพวกเราฝึกการเดินจังกงม เราเคยทำแบบนี้แล้ว <c oughs> มาทำแบบนี้เป็นไปไม่ได้ต้องฝึกเอาอาใส่รูปแบบนิมิตเครื่องหมายให้มันรูออกไปเจิงเราก็มีกายมีใจเหมือนกันผุนใจเห็นพวกเราพากันสนใจปฏิบัติ มีผู้หลักผู้ใหญ่มาอยู่เราไม่รู้อะไรเรารู้เรื่องนี้ขอเป็นเพื่อนในเรื่องนี้เวลามันหลงเปลี่ยนไม่หลงเวลามันโกรธเปลี่ยนไม่โกรธเวลามันทุกข์เปลี่ยนไม่ทุกข์ขอเป็นเพื่อนเรื่องนี้ทำได้จริงๆ จ, จนถึงความไม่เจ็ไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายโน่นน่ะถ้าเปลี่ยนตรงนี้มันไปไกลหยุดหมายปลายทางอย่าไปกลัวอะไร ต้องแก่นกา้ารักธรรมะรักความเป็นธรรมต้องแก่กา้าแก่นกา้าถลาไกลความหลงเป็นอะไรู้ถลาไปแล้วก็ว ม, มีความเกี่ยวกา้าถลาไกลโร ด, ดเข้าใส่ความหลง ผมแล้วผมจังกักขังมาอยู่ถ้ามันเจ๊งก็แต่ถ้าว่อนแอเขาขังเราได้ดีไม่ดีถ้าเริงอย่างนี่ทำไมไม่ไปก็โจนถึงสุดยอดโกดมงกุฎคือธรรมด้วยหาไทยของใครของเร า, ถ, าถึงธรรม มีทําเป็นที่ตั้งถึงเพืไม่เป็นอะไรกับอะไรมองอย่างนี้อย่ามองจนมองทะลุตะลวงอย่างคนโบราณจังนครพนมแม่แต่เพลงก่อมลูกก็เป็นนิพพาน โอ้อร่องเพลงก่อลูกนะครับก็ลองไปฟังสักหน่อยได้ไหมนะฟังไหม <laughs> เอ้น้องยอดพนมเอ้าน้องยอดพนมเนื้อกล้านะืผมคือพระธรรมรข้ามเศ้าเข้นอนโผผ่อน พ, พระตาย ฝึ ก, กายฝึกใจมีชัยทุกประการ ก, กายฝึกใจถึงมรรคผลนิพพานเลยเออน้องเจ้านะเจ้ายอดพนมนื้อก็เนะื้ผมคือบระธรรมคำเศ้าขผนอนขอพ้อว่าตายพัฒนากายใจเป็นสุขทุกประการพัฒนากายใจถึงมรรคผลนิพพานเลยกลมลูกก็เป็นนิพพาน ล้วมองอย่างนี้หรือเปล่าเรื่องมองแต่รักแต่เกลียดชังกันพุน้มไร้คุมดีไม่ใช่ภาคใต้ก็มีเพลงแบบนี้ผ้ออาหางลิเกกลางทะเลชีพึ่งอันนี้ก็มีจำไม่ได้นะขอโทษนะจำไม่ได้ <c oughs> <c oughs> หัวสมปอง อ้าวไม่มีเสียงนะเท่านี้ก็พอแล้วอ่ม่มีเสียงอาจารย์เชนช่วยสัก